Music ต้องเจอเส้นทางเส้นไกลเพียงในก็ยัตจะรับรู้ยากที่อยู่ ที่เคียงข้างเธอที่อยากจะเป็นสิ่งใดที่ เป็นอีคนที่เคียงข้างเธอเธออยากจะเป็นสิ่งใดที่เธอฝันไว้แค่มองมาทางนี้จะมีคนยืนยิ้มให้เธอปรารถนาถึงสิ่งใดก้าวเดินต่อไปวา Be your body.